อัทธกถาสุวรรณสามชาดกที่สามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระภิกษุรูปหนึ่งผู้เลี้ยงมารดาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าใครหนอใช้ลูกสอนยิงเราโกนุมังอุสุนาวิชชิดังนี้เป็นต้นแดงได้สดับมาในกรุงสาวัตถี มีกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นบุตรคนเดียวของสกุลเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สมบัติส8แปดโกรกุลบุตรนั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของมารดาบิดาวันหนึ่งเขาอยู่บนปราศาส์เปิดสีหบัญชรแลดูในถนนใหญ่เห็นมหาชนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่พระเจตวันมหาวิหารเพื่อต้องการสัพระธรรมเทศนาจึงคิดว่า แม้ตัวเราก็จะไปกับพวกนั้นบ้างจึงให้คนถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปสู่พระวิหารถวายผ้าเพสัตและน้ําดื่มเป็นต้นแด่พระสงฆ์และบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนาแล้วเห็นโทษในการทั้งหลายกําหนดอานิสงค์แห่งบรรพชา ครั้นบริษัทลุกไปแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกะกุลบุตรนั้นอย่างนี้ว่ารัตถาคตทั้งหลายไม่ยังบุตรที่มารดาบิดายังมิได้อนุญาตให้บรรพชากุลบุตรได้ฟังรับสั่งดังนั้นจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปเคหสถาน ไหวามานดาบิดาด้วยความเคารพเป็นอันดีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ข้าพระเจ้าจาักบวชในสำนักพระตถาคตลำดับนั้นมานดาบิดาของกุลบุตรนั้นได้ฟังคำของเขาแล้วก็เป็นราวกะมีหัวใจแตกเป็นเจ็ดเสี้ยงเพราะมีบุตรคนเดียววันไหวอยู่ด้วยความศรีหาในบุตรได้กล่าวอย่างนี้ว่าแน่ พ่อผู้เป็นบุตรที่รักผู้เป็นหน่อแห่งสกุลผู้เป็นดั่งดวงตาผู้เช่นกับชีวิตของเราทั้งสองเราทั้งสองเว้นจากเจ้าเสียจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรชีวิตของเราทั้งสองเนื่องในเจ้าเราทั้งสองก็แก่เท่าแล้วจากตายในวันนี้พรุ่งนี้หรือมารรนนี้เจ้ายังจะละเราทั้งสองไปเสียอีกธรรมดาว่า บรรพชาอันบุคคลทำได้ยากยิ่งเมื่อต้องการเย็นย่อมได้ร้อนเมื่อต้องการร้อนย่อมได้เย็นเพราะเหตุนั้นเจ้าอย่าบวชเลยกุลบุตรได้สดับคาของมารดาบิดาดังนั้นก็มีความทุกโทมนัดนั่งก้มศีรษะซบเศร้าไม่บริโภคอาหารเจ็ดวันลำดับนั้นมารดาบิดาของกุลบุตรนั้นคิดกันอย่างนี้ว่า ถ้าบุตรของเราไม่ได้รับอนุญาตให้บวชก็จกตายเราจักไม่ได้เห็นเขาอีกเลยบุตรเราเป็นอยู่ด้วยเพศบรรพชิตเราจะได้เห็นอีกต่อไปครั้นคิดเห็นกันอย่างนี้แล้วจึงอนุญาตว่าแน่พ่อผู้เป็นลูกรักเราอนุญาตให้เจ้าบวชเจ้าจงบวชเถิดกุลบุตรได้ฟังดังนั้นก็มีใจยินดี น้อมสรีระทั้งสิ้นลงกราบลาแทบเท้ามารดาบิดาออกจากกรุงสาวัตถีไปสู่พระเชตวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดาตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งให้บวชกุลบุตรนั้นเป็นสามเณรจำเดิมแต่สามเณรนั้นบวชแล้วลาบส ก, การะเกิดขึ้นเป็นอันมาก สามเณรนั้นยังอาจารย์และอุปัชาให้ยินดีอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วเล่าเรียนธรรมอยู่ห้าพันษาดำริว่าเราอยู่ในที่นี้เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติเป็นต้นหาสมควรแก่เราไม่เป็นผู้ใครจะบําเพ็ญวิปัสนาธุระจึงเรียนกรรมฐานในสำนักอุปัชาออกจากวิหารเชตวันไปสู่ปัจจันตคามแห่งหนึ่ง อยู่ในป่าอาศัยปัจจันตคามนั้นภิกษุนั้นเจริญวิปัสนาในที่นั้นแม้เพียรพยายามอยู่ถึงสิบสองปีก็ไม่สามารถยังทำวิเศษให้เกิดฝายมารดาบิดาของภิกษุนั้นครั้นเมื่อการล่วงไปได้ขัดสนลงเพราะว่าเราชนที่ประกอบกสิกรรมหรือพาณิชของชนทั้งสองนั้นคิดว่า บุตรหรือพี่น้องผู้จะทวงนี่แล้วรับเอาทรัพย์ไม่มีในสกุลนี้พวกเขาจึงถือเอาทรัพย์ตามกำลังของตนของตนหนีไปตามชอบใจแม้ทาดกรรมกรในเรือนเป็นต้นก็ถือเอาเงินทองเป็นต้นหนีไปครั้นต่อมาชนทั้งสองจึงตกทุกข์ได้ยากเหลือเกินไม่ได้แม้การรดน้ําในมือต้องขายเรือนไม่มีเรือนอยู่ ถึงความเป็นผู้น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าท่อนเก่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานที่นี่ที่นั่นในการนั้นภิกษุรูปหนึ่งออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของภิกษุบุตรเศรษฐีอนาถานั้นภิกษุเศรษฐีบุตรนั้นทำอาคันตุ ก, กะวัดแก่ภิกษุนั้นแล้วนั่งพักผ่อนแล้วจึงถามว่าท่านมาแต่ไหน ภิกษุอาคันตุกะแจ้งว่ามาแต่พระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระาศาสดาและของพระมหาสาวกเป็นต้นแล้วถามถึงข่าวคราวแห่งบิดามารดาว่าท่านขอรับสกุลเศรษฐีชื่อน้ษในกรุงสาวัตถีสบายดีหรือภิกษุอาคันตุกะตอบว่าอาวุโสท่านอย่าถามถึงข่าวคราวแห่งสกุลนั้นเลย ภิกษุเศรษฐีบุตรถามว่าเป็นอย่างไรหรือท่านตอบว่าได้ยินว่าสกุล น, นั้นมีบุตรคนเดียวเขาบวชในพระศาสนาจำเดิมแต่เขาบวชแล้วสกุล น, นั้นก็เสื่อมสิ้นไปบัดนี้เศรษฐีทั้งสองเป็นกาพระน่าสงสารอย่างยิ่งถือกระเบื้องเที่ยวขอทานภิกษุเศรษฐีบุตรได้ฟังคำของภิกษุอาคันตุกะแล้ว ก็ไม่อาจจะทรงตัวอยู่ได้มีน้ำตานองหน้าเริ่มร้องไห้พระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเธอร้องไห้ทำไมภิกษุเศรษฐีบุตรตอบว่าท่านขอรับชนสองคนนั้นเป็นมารดาบิดาของกระผมกระผมเป็นบุตรของท่านทั้งสองนั้นพระเถระจึงกล่าวว่า มารดาบิดาของเธอถึงความพินาศเพราะอาศัยเธอเธอจงไปปฏิบัติมารดาบิดานั้นภิษุเสถีบุตรคิดว่าเราแม้เพียรพยายามอยู่ถึงส2องปีก็ไม่สามารถที่จะยังมักหรือผลให้บังเกิดเราจักเป็นคนอาภัพประโยชน์อะไรด้วยบรรพชาเล่าเราจักเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงมารดาบิดาให้ทาน ก็เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าคิดชนี้แล้วมอบสถานที่อยู่ในป่าแกพระเถระนั้นนามส ก, การเถระแล้วรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าไปโดยลาดับลุถึงวิหารหลังพระเชตวันไม่ไกลกรุงสาวัตถีณนะที่ตรงนั้นเป็นทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันทางหนึ่งไปในกรุงสาวัตถี ภิกสุดนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นคิดว่าเราจะไปหามารดาบิดากนหรือจะไปเฝ้าพระทศพลกนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้พบมารดาบิดานานแล้วก็จริงแต่จำเดิมแต่นี้ยากที่เราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าวันนี้เราจะเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมรุ่งขึ้นจึงไปหามารดาบิดาแต่เช้าเที่ยว คิดชนีแล้วละหนทางไปกรุงสาวัตถีไปสู่หนทางที่ไปพระเชตวันถึงพระเชตวันเวลาเย็น